ท่นฟังคะรายการสันนิสนทนาการปฏิบัติธรรมที่ผ่านไปและประสูตรที่อ่านผ่านไปก็คือธรรมาชาควโรแห่งวนาปภงลำลูกกาคลองสิทค่ะพวกเราก็รวมถึงที่ชั้นด้วยนะคะได้อาศัยการฟังการสนทนาในห่วงเวลาที่จัดรายการนี้เสร็จธรรมเพื่อที่จะเป็นทุนที่สำคัญมากในการที่เราจะใช้ ไปปฏิบัติเพื่อที่จะทำให้ชีวิตนี้เรามีที่พึ่งเป็นที่พึ่งอย่างถูกต้องคือพึ่งธรรมนะคะพึ่งตนพึ่งธรรมพระพุทโธตรัดไว้อย่างนั้นเราไปเปิดธรรมที่ถูกปิดให้พุทธวจนะ ก, นกันกับพระภัยบุญอภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศอุดรธานีค่ะน้องสกายนทั้งคะเซ บ, บาค่ะก็มาพบกันอีกทีหนึ่งในวันจันทร์นะคะก็เป็นวันที่ก่อนหน้า จะออกพรรษาวันหนึ่งใช่วัดปารณหายโศมบรรยากาศวันออกพรรษานี่เป็นอย่างไรครับท่านคะก็ก็จะมีก็คือมันเป็นบรรพระด้วยอ่นะค่ะมันก็จะมีชาวบ้านมาวัดอยู่เป็นประจําอยู่แล้วบรรพระนี่ถ้าในช่วงพรรษาทุกๆุกบรรพระก็จะมีอุบาสิกาอุบาสกเนี่ยมามาที่วัดมาพักคือหนึ่งวันหนึ่งเพื่อที่จะมารักษาอุโบสถศีลเพราะฉนั้นวันนั้นก็จะเป็นวันสุดท้ายที่เขาจะมารักษาอุโบสถศีลค่ะ ท่านไปอยู่ที่นั่นมากี่ปีนะคะเอ่อตั้งแต่ปี2549 2549ก็เกือบหกปีแล้วใช่เอ่อ uh, สำหรับวันนั้นที่ผ่านมาปีแรกที่ท่านไปอยู่กับวันเนี้ยค่ะอุบาสกอุบาสิกาที่ว่าที่มาอยู่วัดคือถ้าเป็นอย่างดิฉันคนใช่นาท น, นะคะเย่ยม b ก็ใช้คําว่าอยู่วัดเนี่ยอ่า uh, มากขึ้นน้อยลงหรือเท่าเท่าเดิมค่ะกพอๆเดิม พ, พอเดิ ม, อ, ดมอ๋อเท่ากับว่าเป็นคนใน ชุมชนนั้น<ช>หมู่บ้านแ<ด>ถวๆนั้นใช่อาจจะลดลงบ้างเพราะว่า บ, า ง, บ, า, งบางคนก็ตายไป <ม S 1> ก็คนรุ่นใหม่อ่ะค่ะคนรุ่นใหม่ก็มีพวกเด็กๆอะไรที่เขามากับแม่กับพ่ออย่างเงี้ยก็มีคื อ, คอจำนวนดูๆแล้วมันก็จํานวนเท่าเดิมคือที่เพียงกลับเรียนถามท่านเนี่ยก็อยากจะสังเกตพฤติกรรมของสังคมด้วยนะคะว่าเปลี่ยนไปไหมตามวันเวลาอืแต่ยังกับข้อเท็จจริงที่เกิดจากการพยากรณ์แต่พยากรณ์แบบวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับเรื่องของประชากรเนี่ยขณะนี้ก็มีการพยากรณ์ออกมาค่อนข้างน่าเป็นห่วงก็คือว่าคนในวัยเด็กเนี่ยจะน้อยลงคนในวัยสูงอายุเนี่ยจะมีมากขึ้นเราเนี่ยจะขาดแคลนคนที่อยู่ในวัยของการทำงานซึ่งจะสร้างความเจริญสร้างผลผลิตต่างๆให้กับประเทศดังนั้นเนี่ยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เขาก็ทำแผนมาเสนอให้คณะทวนตรีพิจารณาแล้วก็มีการแจกลูกกัอนออกไปแล้วว่ามันมีผลกระทบในเรื่องของคนที่อยู่ในระบบราชการด้วยว่าตอนนี้ก็ขาดแคลนก็คงต้องมีการไปสำรวจกันในรายละเอียดของทุกๆกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อที่จะมาระดมมันสมองกันว่าแล้วเราจะเอาอยางไรอัาญาเสนอวิธีหนึ่งดีไหมอะไรนะคะมาขอเสนอวิธีหนึ่ง วิธีใดคับคะคือการเพิ่มประสิทธิภาพของคนที่ทํางานนะรเราเราไม่ต้องเพิ่มคนนะหรือจะเพิ่มคนก็ได้ก็ทําไปก็ก็ดีนะในขณะเีย ค, คนที่มีอยู่นั้นะเราเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานก็ได้ไหมหนะึ่งกระบวนการอะไรที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานเอาคิดว่าถ้าคุณเอา corruption ออกไปได้ใช่มค่ะคุณเอาเวลาที่เขาไปใช้เล่น facebook เล่นคุยชิดแชทแรงต่างๆๆออกไปได้นะค่ะแล้วก็ให้มีาการ โต้แย้งโต้เถียงกันงัดข้องัดแง่งอะไรกันในสํานักงานเี่ยลดลงเนี่ยนะโอ้โหประสิทธิภาพการทํางานนี่เพิ่มขึ้นมหาศาลแน่นอนอสาทุกค่ะก็เสนอผ่านอากาศไปเลยสําหรับทุกๆที่ก็แล้วกันนะคะแล้วกระบวนการนี้มันไม่ได้ยากเลยคุณโยติวยังไงนะคะกระบวนการที่จะทําตรงนี้ได้มันไม่ได้ยากนะค่ะคือคือว่าถ้าเราทุกคนเนี่ยเดินตามมักแ8ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาให้พวกนี้มันเกิดขึ้นเอง จิตของ <Okay. S 1> เราจะค่อยสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นเสร็จปุ๊บก็ไม่อยากด่า ก, กันไม่อยากว่ากันไม่อยากโกงละทําดีดีกว่านะมันก็ประสิทธิภาพในการทำงา น, นก็จะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัตินั่นเองคือท่านก็เลงจะแนะนําใช่ไหมคะว่าให้เอาเรื่องของธรรมะ เ, เข้าไปกล่อมกลาแล้วก็ไปพัฒนาคุณภาพของคนทํา ง, งานถูกต้องนั่นแหละค่ะนะคะอันนี้ดิฉนันเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเลย <c oughs> ทีนี้มันเหมือนกับว่าการอยู่ในองค์กรแต่ละองค์กร ถ้าหาว่าผู้บริหารระดับสูงได้เห็นคุณค่าของสิ่งนี้นะคะก็จะเกิดเปร ะ, ยะ่ยนขึ้นมามีข่าวอยู่ข่าวหนึ่งนะคะว่าเขามีความพยายามที่จะให้ข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชกา ร, การการเมืองหรือว่าข้าราชการของการปกครองสนท้องถิ่นมีโอกาสได้บวชแต่ว่าในกรณีนี้ก็ต้องเป็นโครงการที่เอกชนหรือรั้ดก็ได้แต่ต้องทําเป็นเรื่องเป็นราวนะค ะ, ะที่จะเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษาปีนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาในโอกาส80พรรษาในปีนี้แล้วก็สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเสด็จฯกรกราชินีในโอกาสที่เจริญพระชนพรรษา60พรรษาในปีนี้แล้วก็ถ้าจะบวชเนี่ยเขาให้โอกาสบวชได้15วันซึ่งอาจจะใช้ครั้งหนึ่งหรือสองครั้งสามครั้งอะไรก็ได้รวมๆกัน โดยไม่ถือว่าเป็นวันลาแล้วก็ไม่เกี่ยวกับการที่จะอ่าเกี่ยวกับเรื่องของเงินเดือนเงินได้อะไรเงี้ยค่ะนะคะก็เท่ากับว่าสนับส น, นุนเพราะว่าอการไปบวชนี่ก็คงจะมีส่วนของการอ่าจัดหลักสูตรปฏิบัติอะไรกันด้วยเพราะว่าเป็นโครงการเนเรื่องเป็นราวนะคะใช่แต่ว่าเท<น>่านี้ยังไม่พอใช่ไหมก็นุโมทนาด้วยคือเราทํามากทําน้อยมันก็ยังดียังได้ทําำะนะค่ะอ่ะ แต่แสําหรับท่านทั้งหลายที่ฟังรายการอย่างนี้อยู่แล้วเท่ากับว่าท่านเนี่ยอยู่ในกระบวนการของการพัฒนาจะว่าได้อย่างนี้<ช>ก็ว่าได้นะคะแล้วก็ฟังทำตามการเนี่ยเป็นวงกลอย่างยิ่งแล้วยิ่งเราฟังมาตอนเช้าๆเนี่ยนะเราต้องป ร, รบรถความเพียรขึ้นอีกระดับหนึ่งด้วยดุกขึ้นมาอย่างนี้นะค่ ะ, คะก็ขออนุโมทนากับทุกท่านกันละกันแล้วก็เรามาช่วยกันคิดหาทางออกให้กับประเทศไทยเพราะว่าจริงๆเมื่อคิดคิดไปผู้สูงอายุในอนาคตข้างหน้านี่ก็คือ คนในวัยแบบดิฉันอย่างนี้แหละนะคะแน่นอนต้องเจอปัญหานั้นที่ว่าประเทศชาติคงจะถือว่ามีภาระเยอะหน่อยเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยก็จะเป็นคนที่ช่วยตัวเองก็ยังลำบากเลยซะส่วนใหญ่นะใช่ใชจะไปช่วยอะไรก็ได้ยากเนี่ยค่ะจะเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้น่สำคัญและดิฉันเนี่ยจะพูดประโยคนี้อยู่เสมอนะคะดิฉันมีความเคารพในเรื่องของเวลามากมคือมีความรู้สึกว่าเวลาเนี่ยมันกลืนกินสรรพสิ่ง หากจะคิดเนี่ยเวลามันผ่านไปเร็วถ้าไปเล่นเฟซบุ๊กอะไรอย่างที่ท่านว่าเนี่ยนะคะใช่เสีย <c oughs> เวลามาก <c oughs> แล้วที่ที่คุณยมตีบอกเวลากินกินสปปรรพสิ่งเนี่ยผู้เช้า <c oughs> เคยเปรียบเทียบเหมือนกับว่า อ, อโคบา น, เ, นเขาต้อนฝูงโคเข้าไป น, นก็จะต้อนไป ต, น ต, น ต, นต้อนไปต้อนไปสุดท้ายไปจบอยู่ที่คอนนกนะคือทุกคน <c oughs> ต้องเข้าคอกหมดนะก็คือเวลาเนี่ยมันต้อนเราไปสู่ความตายทุกคนจะ <c oughs> องไปจบที่ตรงนั้นหมด ดิฉันรู้อุปมาอนี้ดีจังเลยนะครับอืเหมือนกับฝูงโคเหรอคะในโคบานต้นฝูงโคไปเวลาคือโคบานเอเวลาคือโคบานใช่ค่ะแล้วก็ต้อนฝูงโคไปเข้าข้อทั้งเข้าข้อืเข้าข้อนี่คือความตายนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรื่องนี้เอาไปเผยแพร่เลยนะคะท่านฟังที่ครบทะได้บุญหลายเลยนะ่เนี่ยเพราะว่าจะทําให้เอเพื่อนฝูงเรา ที่อย่างน้อยฟังเรื่องโคบาร์ของท่านอย่างนี้ส่งในเฟซบุ๊กเลยได้สั้นๆได้ใจความแล้วก็ได้ประโยชน์ได้กุศล ก, ก็ได้เหมือนกันทีนี้ไอการที่เราจะใช้เวลาให้มันมีประสิทธิภาพนี่มันก็อีกประเด็นหนึ่งด้วยนะพระเจ้าเคยพูด e ถึงหมวดธรรมะที่จะทำให้เราทำงานได้ดีขึ้นมากขึ้นแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยนั่นคืออธิบาตสี่ นะคือคือศีลสมาธิปัญญาที่ได้พูดไปตอนต้นเนี่ยมั น, ม, นมันกว้างมากนะแล้วก็ถ้าจะเพาะเจาะจงก็ไปก็อธิบาย4ี่ตรงนี้ไหนะยังไงทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้องมีความเปลี่ยนอยู่ด้วยนะเราจะต้องมีความเปลี่ยนต้องอคืออย่าไปเกี่ยงงานคืองานเงินเดือนน้อยก็ทํางานเงินเดือนมากก็ทําอย่างเงี้ยนะเราก็ชีวิตเราก็มันระยะสั้นไหนะที่คุยกันนะคุณยมติวชีวิตเราสั้นมากแลนะเรามีอะไรเรารีบทําเลยอย่าไปมัวแต่สังกตายหรือว่า เปลี่ยนงานเปลี่ยนงาน น, งานั่นงานนี้อะไรเงี้ยเราเรีบทำงานทำความดีดีกว่าค่ะคิดถึงนายโคบานกำลังต้อนเราเข้าคอกนะคะนาฬิกาที่เราดูอยู่ทุกวันเนี่ยมันเป็นรูปธปรรมหน่อยมีตัวตนแต่เวลาเนี่ยมันไม่มีตัวตนใช่แต่ก็อาศัยนาฬิกาเป็นเครื่องทำให้เรารู้ว่ามันผ่านไปตลอดเวลาจริงๆ ม, มันไม่เคยรอใครน่นะคะดูนาฬิกาทีไรก็คิดถึง นายโคบานมาแล้วกันแล้วก็จริงๆเวลามันก็วนไปวนมานะค่ะที่เรามีสัปดาห์มีเป็นเดือนเนี่ยก็เพราะว่ามันมีกลางวันกลางคืนมันก็วนไปวนมามันก็ไม่มีอะไรใหม่ค่ะเราเราจะทำยังไงให้กับ <c oughs> ชีวิตของเราทนั่นเองท่านพูดแบบเนี้ยอาจจะทําให้คนที่กําลังทําอะไรอยู่ฉุกคิดก็ได้นะคะว่าเอ๊ะเราทํำอันี่ทําไมอืมทําไปแล้วเราก็เข้าคอกแน่นอน คนก็จะหมดกําลังใจกันหมดเลยนี่แหละประเด็นคือตรงที่ว่าคุณนําไปแล้วคุณได้อะไรหรือเปล่าคุณต้องคิดคตรงนี้เพราะว่าตอนที่คุณเข้าข้อไปแล้วเนี่ยคุณจะอะไรไปได้นะถ้าคําตอบง่ายๆที่วิชาพูดอยู่เสมอก็คือว่าเหมือนกับไฟไหม้บ้านคุณโยมติยวคะ น, ะนี่อีกอีกวัมาวใหม่หนึ่งนะคือไฟไหม้บ้านเนี่ยของไหนที่อยู่ในบ้านเนี่ยตอนที่มันไฟไหม้อยู่เนี่ยถูกไหม้ทําลายหมดนะค่ะนะแต่ตอนของไหนที่เราเอาออกได้เนี่ยอันนั้นเน่ยจะปลอดภัยนะนั้นจะเป็นของเราได้ เชดียวกันร่างกายของเราเนี่ยพระเจ้าเปรียบเหมือนกับไฟหรือเป็น บ, บ้านที่กําลังถูกไฟไหม้อยู่นั้นทุกวินาทีเลยจนกระทั่งมันไหม้หมดตอนที่เราตายนั่นเองนะทรัพย์สินสมบัติอะไรที่เรามีเนี่ยเอาไปไม่ได้เลยนะเงินทองที่ดินบ้านรถอะไรต่างขณะดเขาเขาเอาทองคำใส่ให้ศพอะ่ะเอาสร้อยคอใส่ให้ศพเนี่ยไปได้ไกลที่สุดก็คือแค่ปา่าช้านะสับเเลยก็เอาไปอยู่ดีเนะีเอาติดตัวไปไม่ได้ว่างั้นเถอะนะ ที่มันจะติดตัวไปได้คือบุญกุศลเท่านั้นเองถามว่าวันนี้คุณวันนี้คุณทําอะไรที่ที่ตอนที่ถึงคุณเข้าคอกแล้วไฟไหม้บ้านหมดแลว้วคุณจะเอาไปได้ไหม ต, ต้อง ค, คิดนะอืมก็เท่ากับว่าไม่ได้บอกให้ไม่ต้องทํางานเพราะว่าพระพุทธองค์สนับสนุนให้เราทํางานไหมคะใช่ทํางานทํางานด้วยความเพียรทํางานด้วยอย่างเต็มที่ทํางานด้วยฉันทาเนี่ยเป็นบุญกุศลตลอดเลยนะคะแต่ว่าทําแล้วเราควรจะทํา ให้ได้กุศลไม่ใช่ทุ่มเทรแรงกายแรงใจแทบตายอืมได้ผลตอบแทนมาเป็นอา ก, กุศลโอ้โห oh, สวยซ้ำสองอย่างนั้นเท่ากับว่าไฟไม่บ้านไม่ได้อะไรติดตัวกลับไปเลยง ไ, ได้บาปด้วยนี่มันแย่ตรงนี้อ๋อบาปนี่ยิ่งกว่าไม่ได้ไเลยเลยใช่ไหมคะบาปเนี่ยผู้ชอบเปรียบเหมือนกับเวลาคุณไปเล่นกนรนารพนันแล้วคุณเสียหมดเนื้อหมดตัวลูกเต้าบ้านเดือนเสียหมดอ่ะสวยมากๆเลย คื อ, คอค เ, รเราเล่นเนี่ยเราแทนทีน่ว่าเราได้กำไรใช่ไหมแต่กับเสียด้วยแต่เราเสียคือไม่ได้เสียแค่ตัวเองเสียเ ง, ยงินยังเสียลูกเสียเมียเสียบ้านเสียเรือนนี่ก็คือไปนรกแน่นเองค่ะอืมเพราะฉะนั้นก็น่าจะได้ประโยชน์มากๆกับการที่มีวิธีคิดกับเรื่องของการทํางานแล้วก็เรื่องของการใช้เวลาท่านคะทีนี้คนทํางานเนี่ยฉันเข้าใจว่าส่วนใหญ่มันก็จะมีความพอใจไม่พอใจ ไม่พอใจกับคนรอบข้างอันนี้จะเป็นปัญหามากกว่าไม่พอใจเนื้องานด้วยซ้ำใช่ไหมคะมันขัดอกขัดใจ ม, ม, มีการกระทบกระทั่งกันอยู่เสมออากุศลรมันเกิดแน่นอนทำยังไงดีครับท่านคะอันนี้คือเราต้องคอยระวังไงอันดับแรกก่อนคือมันต้องต้องเตรียมตัวตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดการกระทบกันด้วยซ้ำคือถ้ามากระทบแล้วจะมาแก้เนี่ยมันก็มันก็ยากนิดนึงอะนะมันก็ยังพอจะมีวิธีอยู่ เราเราพูดมาตั้งแต่ก่อนที่จะกระทบด้วยซ้ำนั่นคือว่าเราต้องเจริญเมตตาอยู่เสมอแตนะถ้าเราเจริญเมตตาภาวนาอยู่เสมอตื่นเช้ามาปุ๊บก่อนลุกออกจากเตียงเลยคุณรู้สึกตัวขึ้นปุ๊บเนี่ยนั่งเลยแตนะก่อนลุกออกจากเตียงนะนั่งก่อนเลยนั่งเจริญเ<ฆ>มตตาภาวนาคนะรูบาอาจารย์หลายๆท่านหลายๆองค์ท่านก็ทำอย่า ง, งนะี้แผ่เมตตาออกไปให้กับตัวเราเองมานดาบิดาพ่อแม่เพื่อนโรงงานทุกคนเลยแผ่เมตตาออกไปเนี่ยทำบ่อยๆทําบ่อยๆเนี่ยเราก็จะเป็นที่รัก ของมนุษยนะ์ตื่นก็ไม่ฝันร้ายหลับก็หลับอย่างเป็นสุขอย่างเงี้ยแล้วก็ตื่นอย่างสดชื่นนะตรงนี้เราเตรียมตัวก่อนอยู่ล้อันนี้คือข้อที่หนึ่ง ข, ข้อที่2ก็คือว่าระหว่างที่มีพัสสะด้วยกันเนี่ยนะระหว่างที่มีพัสสะด้วยกันเนี่ยบางทีเราจะต้องคอยคุมให้จิตของเราเนี่ยหมายถึงว่าการกระทําของเราเนี่ยนะอย่าเป็นอกุศลเนี่ยอย่าไปทําผิดศีลนนะีคือสมมุติคุณจะพูดโกหกเนี่ยคือการทําผิดศีลเนี่ยมันอาจจะเป็นเหตุให้เขา มีการกระทบกระทั่งกันแต่เราคโคหกบ้างเราด่าบ้างเราพูดส่อเสียดบ้างพวกนี้ยจะเป็นเหตุคืออยู่กับมิตรต้องระวังวาจาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องอย่าไปกล่าววาจาที่ทําให้เป็นเครื่องที่ต้องแตกกัน น, นี่คือเรา ค, ควบคุมตัวเราเองเราสุดท้ายนี่คือดูที่จิตว่าถ้าเผื่อมีการกระทบอะไรขึ้นเราก็พยายามปล่อยว่างอย่าพิจิตรายมากขอโทษเ้าซะาก็จะทําให้เรื่องหนางมันดีขึ้นนะนะถ้าเขาทําเรานี่เราต้องไปขอโทษเขาหรอคะเต้องอดทน ตรงนี้คือข้อที่สามที่ว่าเราต้องมีความอดทนแเราต้องมีความเมตตาจิตรักใคร่อ็นดูแล้วก็ไม่เบียดเบียนสาม ส, สี่อันเนี้ยในข้อที่สามเนี่ยก็จะช่วยเราให้อยู่ในสถานการณ์นั้นได้อย่างสบายใจล่ะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอ่าเราก็ได้ทําหน้าที่กันอย่างเต็มที่แล้วนะคะหาทางออกให้เสร็จสรรเรียบร้อยเวลาก็ใกล้จะหมด พอดีคิดว่าวันนี้ได้ประโยชน์กันไปเต็มๆอีกวันหนึ่งวันนี้การาบมรสการขอบพระคุณท่านไปบุญซึ่งพรุ่งนี้ก็อาจจะได้ทําบุญออกพรรษาที่โน้นะนะคะ่าการาบมรสการขอบพระคุณคะ่ะเต็มไปทนฟังที่ครบค่ะบางท่านอาจจะไม่มีโอกาสไปทําบุญที่วัดนะคะแต่ก็มีโอกาสที่จะทําทกุศลอย่างอื่นทานศีลภาวนาทุกรูปแบบและถ้าหากว่าท่านเห็นว่าการถวายผ้ากฐินเป็นเรื่องสําคัญ ของท่านมีจิตเป็นกุศลแล้วก็ที่วัดใดก็ได้ที่ท่านจะไปทำบุญดิฉันอนุโมทนานะคะส่วนดิฉันจัดรยการอยู่ที่นี่กับพระภิกษุสองรูปของวัดนาป่พง์กับวัดป่าดอนหายโศก <c oughs> ก็ขออนุญาตบอกบุญ <c oughs> เกี่ยวกับสองวัดนี้ว่าวัดป่าดอนหายโศกที่อุดรธานีจะมีกะถินวันที่11พฤศจิกายนส่วนวัด นาป่าพงอยู่ลำลูกกาคลองศิษยปทุมธานีนี่เองที่มีพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโลที่มอบหนังสือพุทธวจนะให้กับพวกเราอยู่เสมอเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นวัดที่พระมาร์คชาคาโราอยู่ก็จะทอดกระถิ่นในวันนั้นวันที่4ท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาถามรายละเอียดได้นะคะที่ศูนย9 0องสยังก็ขอความกรุณาให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะเขาช่วยให้ข้อมูลกับท่านทั้งหลายคนที่ ได้อยู่ในเขาเรียกอะไรคะองคาพยพในการที่จะช่วยให้ใครคนใดคนหนึ่งทำกุศลสมสเด็จยังก็เทื่อว่าก็ล้วนแต่เป็นผู้ที่จะได้รับอานิสงส์จากการได้มีส่วนร่วมกันอย่างแน่นอนวันนี้เราขอบคุณท่านทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการนะคะสรรสริสนท น, น, นาดิชันสรรสนิหนาพงลาไปก่อนพุทธสวัสดีคะ่ะ